เรื่องดื่มน้ำสมอดองมูดโคสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคผอมเหลืองภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ดื่มยาผลสมอดองน้ำมูด